รู้ไหสงสัยตามประติรู้ไหมมีมานะเออทำห้าวันสิบวันนะมีแนวสงสัยแล้วเราไม่เกินสี่โมงเนาะไม่เกินสีทุ่มนี่มันก็สามห้าแล้วสามทุ่มสามห้าอ่าอคุยสุกันฝังได้อ่าไม่มีนิทานสนุกแหละพยายามพูดถ้าใครจ่อไปข้างในก็พอจะ ไปช่องได้เนี่ยปฏิบัตินี่เอาฮัล <c oughs> โหลครับอืมอืมกรรมการหลวงพ่อแครับอื ม, มอืมอือก็ในอนที่อนางทุกวงอะครับนางก็มีเวทานานแรงเ่นวเข่าหรือว่ามีอ ก, กัดจับอย่างเทีนี้ว่าเออเราถ้าให้เอาแบบว่าติไปจอดอยู่ที่เวทานาตัว น, น, นั้นเนี่ย ยกพุโทโธเราจะยังต้องอยู่หรือรเป่าพุทอะไรยังไม่ต้องอยูเออ่เราขยับจากกายมาอยู่กับเวทนามหาสี่ปัาทั้งสี่นั้นน่ะเราจะพิจารณาอะไรมันโทษถึงกันหมดมันจะพาดพิงถึงกันหมดอย่าลืมว่าตัณหามันพาดพิงมาที่กายพาดพิงมาที่เวทนามันพาดพิงมาที่จิต แล้วก็มันาพาดพิงมาที่ทำทำหมายถึงว่าธรรมารม์น้อมนึกนึกคิดพิจารณาให้ครัวในใจท่านเรียกว่าธรรมารม์เรพิจารณาบทใดมันจะทั่วถึงกันหมดนะในเมื่อมันเลื่อนจากกายมาเขามันเป็นเวทนามันก็อยอยู่ในงานเลื่อนจากเวทนาจอมาที่จิตมันก็เข้ามาที่จิตเป็นจิตตานุปัสสนารู้ที่จิตรู้ที่กายรู้ที่เวทนาและรู้ที่ทำ รู้ที่ทำนั้นมันมากมันกว้างไปถึงผลของธรรมะด้วยเช่นอย่างเรานั่งพิจารณาไปแล้วเราเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจท่านให้พิจารณาธรรมะเหล่านั้นไม่ให้เกิดความยึดถือว่าเรารู้เราเห็นให้เห็นสักว่าเกิดความรู้เกิดความเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไชปยึดธรรมะเหล่านั้นถ้าเรายึดก็คือยึดธรรมะยึดธรรมะส่วนละเอียด ยังมีอัตราตัวตนยึดอยู่อยู่ในนั้นให้ศักว่าเป็นกิริยาอาการของมันที่มันเกิดขึ้นพิจารณาทำภายในใจและพิจารณาผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเราผลใดๆปรากฏขึ้นทั้งให้พิจารณาผลใดๆปรากฏขึ้นทั้งให้พิจารณาไม่ให้ตัญหามันแทรกเข้ามาว่าโอ้เรารู้โอ้เราเห็นโอ้ซะหน่อยอยู่งพบรู้พบรู้แค่แค่คือ พ, พูดเป็นสอบเป็นว่าแน่มันเกิดข้อเสียหาย เข้าใจเนาะครับขอบคกครับครานี้ อ, อกคไหนอี ก, กออครับทุกเมื่อนี่ไหครับเนี่ยไหมอืมเดียร์ที่ยาปวครับรเราสลับนี่หมายความว่าเราอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดมีมันก็เข้าลักษณะว่าทนเบทนาไม่ได้ ไม่เห็นสภาวะที่แท้จริงอย่าลืมว่าปัญหาเวลามันแทรกเข้ามานมันยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดขยับนิดหน่อยโอ้ก็ได้แหง้งนะก็ได้กำลังก็ได้แรงเนี่ยพอได้แรงไม่ดีใจพอปวดปวดปว ด, ปวดยึดคือยึดเวทนาว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาในสูตรทนไม่ได้ทนไม่ได้ แต่เราพยายามกำหนดจดจอประคองสติกำหนดจดจออยู่รับพริกเราก็รู้ว่าพริกเราเปลี่ยนเราก็รู้ว่าเปลี่ยนคือแต่ละอย่างมันเป็นสัจธรรมในตัวของมันเพราะร่างกายมันเจ็บมันปวดเลือดลงมัเดินไม่สะดวกมันก็เกิดเจ็บเกิดปวดเจ็บปวดนี้แหละที่เรียกว่าเบีนาทุกเขเวทนาเราทนยากเพราะฉะนัเราจึงพิจรารณาเราจึงพิจารณาเห็นเบชัดสุขเขเวทนาเรานั่งสบา ย, บายเราไม่ต้องอดเราไม่ต้องทน ลอยใจล่องลอยเพลินเรื่อยวยไปตามที่เรานั่งก็ได้แต่ทุกขเวทนาเนี่ยถ้าหากเรากําหนดจนเจาะสติของเรามันจะหมุนมันไม่มันไม่กล้าปล่อยไปไหนไม่ใช่ลองนั่งให้เจ็บให้ปวดนานๆเ่ยปลอยมันนึกมันคิดไปไหนมันไม่ไม่ไปแหละมันเจาออยู่กับอันเนี้เพราะมันต้องอดต้องทนกูบายจาร์ที่ท่านเอาเป็นเอาตายท่านเอาตัวนี้เลยมัดมาทิ้งไปเลยนั่ง จนทิ้งสิ่งอนี้ไปเลยว่าพอเราเอาพอเร า, เอาคำว่าเราออกมันก็อยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นมันไม่มีใจของเรามันไม่มีความทุกความทุกข์มันไม่มาเข้าไปถึงใจเราจึ่งอยู่ได้เราจึงทนได้เจ็บเหมือนกันปวดเหมือนกันแต่ท่านไม่ยึดคําว่าไม่ยึดหมายความมีสติกำหนดจดจ่ออยู่ไม่ได้ปล่อยทําจนมันเป็นทําจนมันทําจนมันเป็นผลปรากฏขึ้นในหัวใจของเรา ไปแลามันเป็นไปนแล้วมันเป็นอื่นไปมันไม่มีเรามันสาคัญว่าเรามาเป็นฝนมาโปรตี่หัวใจของเราเนี่ยเองทำให้เราทนไม่ได้อย่างนนั้ขยับซะหนอ่อยเออฝนม า, าไปซะหน่อยแน่ใจมันชื้นขึ้นไหมันตังหาทั้งขึ้นทั้งหลง่นอันนี้เราเอาวินทรีย์บทง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละแต่ว่าเราพยายามจับแล้วก็ทาให้ต่อเนื่องมันเป็นแนวปฏิบัติมันเป็นแนวปฏิบัติ แต่ว่าเราเริ่มต้นทีแรกเราเอาสมรรถนดีกว่าให้ใจมันเป็นพืชเป็นป่าดเป็นฐานลองมันเพราะว่าสมรรถนั้นมันไม่ต่างอะไรกับแบตเตอรี่ที่เราไปชาร์จไฟเอาไว้สมมุติอย่างโซนาเซยียนเนี่ยเราปล่อยกระแสตรงมาใช้เนี่ยพอหมดแสงอาทิตย์มันก็หมดพลางหมดพลางแสงอาทิตย์แต่ถ้าเรามีแบตเตอรี่ไปรับเอาไว้เนี่ยมืดพอมืดพักกระแสที่เราเก็บไว้เอามาใช้ได้ สมาธิที่อยู่ในหัวใจของเรามันมีพลังในตัวเหมือนอย่างแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเอาไว้เราพยายามทําให้เห็นในใจของเรามันจะเป็นอย่างนั้นจิตของผู้ที่ฝึกฝนอบรมได้ไม่เหมือนผู้ที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิตที่ของคนที่สงบกับไม่สงบจกไม่เหมือนกันผู้ที่ท่านมีสมาธินั่นน่ะตาถ้าเห็นรูปปั๊บรูปมันก็อยู่พอรูปผู้รู้อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นคนละอันแต่พวกเราเห็นปั๊บน่นมาอยู่ด้วยกันนุ่น มันเป็นอันเดียวกันอันนี้เห็นภาพนี่งเผื่อเห็นว่าเออผู้เห็นก็อยู่ที่นี่รูปมันก็อยู่ที่นู่นจมูกเลิ้นงกายใจอะไรก็เหมือนกันมันเกิดความรู้สึกแค่นี้มันก็เป็นสัจธรรมหยาบๆปรากฏกับเราไม่ใช่เราทําแล้วเร า, เร า, เราทดสอบลองดูเราจะรู้เราจะเห็นไปจะเข้าใจได้เลยเราเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุที่เราจับถูกเราจับตีเราจับถูกมันจะขยับเข้าไปเรื่อยมันเป็นการปฏิบัติที่ถูกทาง ไม่ใช่เราไปงมสุ่มเดานั่งคิดล่องรอยเรื่อยเป่อนนูนเป็น่วาดมโนภาพสารพัาเสร็จแล้วก็มาเรานั่งภาวนาะไม่ใช่ทิ้งหนละักนี่คือหลักจับตรงนี้มัดตรงนี้ให้อยู่ให้ได้คนจะพึ่งตามมาเรามีหวังว่าสักวันหนึ่งเราแล้วหนอเราแล้วหนอเราจะถึงคุณธรรมเหล่านั้นอ่าอีก ท่านกินให้ท่านกินให้ใช้ใช้ผู้ดํารีนั่นแหละดำรีแต่ละครั้งมันเป็นการสร้างสติขึ้นมาพุโทโธพุธโทโธนี่ ค, ค, คือคือสร้างสติขึ้นมาแล้วก็คุมสติความรับรูได้สมรชัญญะความรู้ตัวเอาความรู้ตัวเนี่แหละประคองการประคองที่ที่จะเรียก ว, ว่าวิจารณ์วิจารณวิตกวิจารณวิตกปั๊บประคองประคอง อ, อาการเช่นอย่างพุท ล้วก็ประคองจากพุทธไปจนถึงโท่ประคองจากโทไปจนถึงพุทพุทโทพุทโธลองลองประคองเราดูแป๊บเดียวทิ้งนึงเนี่ยมันแทะมันแทะเข้ามาไม่ได้อ่าพุทธโทพุทโธ่ลองทาลองทาทงแล้วมันจะมันจะมีผลเพิ่มมันจะมีผลเพิ่ม แต่ไม่ใช่เราหวังจะเอาวันนี้เอ า, เอ า, เอาให้เด็กขาดเอาให้ได้ง่ายง่ายๆ็เกินเหมือนเย็นเยือนนะนะบุญท่านมากบารมีท่านมากบุญท่านมากสมัยพุทธกาลก็ยังพระภายะย่เงี้ยท่านฟังทำยังไม่จบหนึ่งคาถานุทินพระริชาท่านสอนง่ายๆท่านสอนว่าภายะเธอจงเห็นจากจะว่าเห็น ได้ยินสัจธรรมได้ยินพระภายังทำใจตามได้เลย <_ d ata> เห็นสักธรรมเห็นจริงๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้ยินสัจธรรมได้ยินไม่ยินดีไม่ยินร้ายแสดงธรรยังไม่จบอ่ะพ้นงเดียวได้บรรลุธรรมแต่ว่าอดีตชาติท่านเนี่ยเอาเป็นเอาตายสู้มาแล้วอ่าแค่ว่าของท่านน่ยใกล้จะเต็มแล้วภายชนะของท่านเน่ยใกล้จะเต็มตือนขึ้นมาแล้วเพราะท่านไปหยอดถูกแค่นั้นขุนเจ้าไปหยอดถูกแค่นั้น่ะก็เต็มเตือนขึ้นมา พึ่เดียวลุกไปเลยค้นไปเลยอืมตอนาเนี่ยครับอามาทำการทางการครับอืมบงทนั่งๆไปเนี่ยาบๆแล้วยรู้สึกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันน่ากลัวครับเราก็ดูให้มันชัด บางทีความมึนความชามันก็หลอกเราได้เหมือนกันดูให้ชัดซะก่อนอย่าเพิ่งไปเอะอะวอยวายโอ้ยว่างแล้วโอ้เบาแล้วว่างแล้วว่างแล้วเบาแล้วห่ะได้แล้วดูให้ดีเมือ่อเรานั่งไม่ติดพื้นไม่ติดดินดูบางทีบางทีความมึนความชามันหลอกเราได้เหมือนกันดูสังเกตให้ดีแต่เป็นจริงๆก็มีเป็นหลอกๆก็มีดูให้ชัดอ่า มรัสการบอก็ว hmm. <irting> ่าขออนุญาตครับอกรณีเวทนาเนี่ยในตัวของไพ่อยเวทนาแล้วตั้งแต่เวลานั้นจนถึงเวลานี้จนเอถึงจิตสงบขนาดนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของเราแ่ะบางที่เจาะขณะนั้นตอนนั้นย้ายความรู้สึกว่าเป็นเรามาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องมาปูกพัน ถ, ถ้าสติเราอยู่ ม, มันจะมันจะเข้ามาก่อไม่ได้ด้วยเหตุที่เรามีคุณสมบัติของใจอย่างนี้เราจึงสามารถชักล้างกิเลสตนณาในหัวใจของเราได้อย่าลืมว่าตัณหาในหัวใจของเรามันไม่มีตัวตนนะมันสักจะ ว, ว่ากิริยาอาการที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราแท้ที่จริงก็คือความเร็วซ้ำของใจของเราเองใจของเรามันเป็นวัตถุดิบที่เราไม่เคยซักเคยฟอกเคยชัเคยล้ า, ลาง มันดือ้อมันด้านมันอะไรอะไรมากิ่ย ก, กับการกุเรชาติมันก็ดื้อด้านอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยชะเคยล้างมันไม่ไ ม, ไม่มีที่ไหนไม่มีใครสร้างไม่มีใครทําให้หากมันเป็นธาตุรู้ที่ปนเปื้อนมาด้วยกันกันกบธาตุไม่รู้ที่จเรียกวา่าอวิชชามันก็ปนเปื้อนกันใครได้มาแล้วจะต้องมาซักมาฟอกมาชำะมาล้างจิตดวงนั้นถึงจะถึงจะสะอาดขึ้นเหมือนเหมือนแร่ แร่ธรรมชาติเป็นแร่ทองแร่เงินเพชรอย่างเงี้ยมันต้องมีในช่างมาเจรนไยให้เป็นเหลี่ยมให้เป็นสารที่มันไปเอาไปเป็นวาวกินของเราเช่นเดียวกันพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นช่างจจรไยที่เยี่ยมที่สุดสามารถจจรไยจนผมพ้นวัฏสงสารพ้นเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารไปได้นะอ้าวเยอะอือ รูอยู่ตรงไหนก็จับอยู่ตรงนั้นมันเป็นตรงไหนก็ช่างมันดูไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านให้กับเรื่องลมลมเข้าพุดลมออกโททำไปแล้วมันอ้วกเหมือนมันก็ไกลไวระเบความสุขมันได้มันได้รับความสุขเร็วท่านจึงให้อนาปานสติกกำนดด้วยพุทโธูอนาปานิสติ ก, กำนดด้วยพุทโธลองว่าดูมันอยู่ตรงไหนอ่ะพุทโธ ความรู <muitas> ้ส ja ึก no มันอยู no ่ตรงไหนก็อยู no ่ตรงนั no ้นสมมติอ no ย่างเราจับจิตของเราเราจับตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนก็นั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นสมมติเราจะพิจารณาจิตเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะพิจารณาจิตท่านให้เราพิจารณาความยินดีของจิตเพราะเราจับภาพมันกรดับเพราะเราจับภาพมันกระดับท่านให้พิจารณาความยินดีหรือบางทีพิจารณาความยินร้ายความไม่ชอบใจความไม่พอใจ ยินดีก็คือราคะตัณหานี่ยเองยินร้ายคือโทสะมันก็เป็นกิริยาของเราตัณหาเพราะเราจับกิริยามันปับ๊บมันก็หยุดจับกิริยามันปับ๊บมันก็หยุดตราบใดที่เรามันไม่จับมันก็ลุกลามเช่อนอย่างโทสะเกิดจนนู่นจกดเกิดจนอาฆาตพยาบาทจองเว้นจองกรรมฆ่าแกงอะไรต่ออะไรสุดเอาไว้ซับซับซับซนหนหนถึงที่สุดเลยถ้าพูดถึงว่าราคะตัณหาก็ฟ้าจนเสร็จเรียบร้อย จบกระบวนการเข้ามาันถ้าเราไม่มีสติสัมชัสใจนำกับเราทำเราปล่อยอย่างนี้อยู่เนืองๆวิบากกรรมของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะอยู่กับธรรมเราจะต้องเจริญธรรมในเมื่อเราจเจริญธรรมไปมากเท่าไหร่ธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีกําลังเพิ่มขึ้นมีกําลังมากกว่าจึงจะสามารถเอาเกลียดได้ความอยากหัวใจของเรามีสองอย่างดังที่เราได้ฟังเลย อยากหนึ่งอยากทําตามอำนาจเขาทำอยากหนึ่งอยากทําตามอำนาจเขาเปลี่ยนเราคำนวณดูความอยากในหัวใจของเราใครจับแค่จ Som ับความอยากได้ก oh, oh, oh, oh, ็ถือว่าจิตของเราละเอียดเอียดพอสมควรจับความอยากในหัวใจของเราได้เราพยายามคำนวณคำนมดจออิริยบทยังไงก็ตามพยายามจับความอยากในหัวใจของเราได้จับได้ต่อไปเราจะค่อยๆขยับอีกโอ้อยากทําโอ้อยากปฏิบัติโอ้อยากได้มรดกได้ผล อันนี้เป็นเป็นเรื่องของมากให้เราส่งเสริมให้ทำให้มากให้เจริญให้มากมันได้กำลังใจแต่ถ้ายากเป็นเห้เกิดราคขาเกิดโทสะโมหะเกิดตัณหาอะไรต่ออะไรสารพัดอีกแต่ให้รีบตัดตัดก็คือจ่อจ่อไปแล้วมันกระดับจ่อไปแล้วมันกระดับคํานกดับมันคือมันสงบราบกิริยาการเหล่านั้นไปแต่ต้นต่อของมันตัวอนุใสที่แท้จริงในหัวใจของเรามันยังไม่หมด เราจะต้องชาเราจะต้องล้างเราจะต้องอบรมเราจะต้องบ่มด้วยตปะปาธรรมอยู่อย่างนี้แหละจนกว่ามันจะเหือดแห้งไปเ ร, เราดูพดระพุทธเจ้าให้นมุสาวพยายามมากถึงขนาดไหนแม้พระชาติสุดท้ายแท้ๆเรายังทาเดินทางผิดไปตั้งห้าปีหกปีพวกปัญจวัคคีเนี่ยเดินทางผิดมาตลอดอเดินทางผิดมาตลอดแม้แต่ก่อนที่ติดตามพระองค์ก็เดินทางผิดมาตลอด แม้แต่มัดตามพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในขั้นทดลองพระท่านยังยังไม่ได้บรรลุอยู่ในขั้นทดลองแต่เวลาท่านบรรลุเสร็จแล้วเนี่ยท่านเอามาเทศได้หมดโห้ทำอานี้เป็นการมรริการนโยโห้ทำอานี้เป็นอัตกิริมถานโยเราะต้องเปิดทางเส้นนี้ในเมื่ออันหนึ่งมันตึงเกินไปอันหนึ่งมันจอนเกินไปมันต้องมีทา ง, ทางกลางมัดขีมาปฏิปทาพูดไปก็ไม่พ้นสิลสมาธิปัญญาเราทิ้งไม่ได้เราไปเจริญธรรมเลย เสร็จแล้วมันอยากให้ทานเองมันอยากรักษาศีลเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมูเอเฮ้ยทำไมเราจะได้อันได้ทำในเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้อันให้ทําถ้าเราไปทําตัวเหลวไหลไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีความปวดไม่มีความทนแล้วทำที่ไหนมันจะเกิดขึ้นแน่มันคล้อยได้ไปในตัวแต่ถ้าใครไปขยับแค่ทานแค่ศีลแค่ทานแค่ศีลตายไปดิบดีขนาดไหนก็ตามหุ่นไปเกิดบนเทวโลกสเสวยตามมะขุณเต็มแปร่ที่บนนั้น อแต่ถ้ า, า, าเราทําจะให้สงบด้วยเหตุที่ใจของเราสงบไม่เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรากับจัมปัดตายในขณนะนั้นไปนเกิดบนพรโมโลกมีความสุขสงบอยู่กับอารมณ์อารมณ์มันเดียวอารมณ์ที่เราบริกรรมนี่แต่ เ, เดียวว่าการมาพบรูปประพบอรูณประพบมันก็เป็นไปตามนั้นนะมันเป็นไปไม่มีที่สุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกภรรยายสาวกเวลาท่านชะร้างรู้ที่บทสุด น, นี้จบแล้วอ่า เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสังขารท่านไม่ได้สังขารแล้วก็ยังมีอยู่ในโลกแต่ถ้าหากไม่มาพาดพิงสมมุติพวกเราไม่เห็นเหมือนอย่างที่พระองค์จับกรณีผพานนะพระองค์พาดพิงสมมุติฌานฌานรูปไปฌานกระตรูปไปฌานก็ตามเป็นสมมุติสัญญาเวทีนิโรธก็ตามเป็นสมมุติ เวลาพระองค์ประทับอยู่ในฌานนั้นๆในนิโรดนั้นๆเนี่ยพระอนุรุทธะมองเห็นแต่เวลาวาระสุดท้ายพระองค์ออกจากฌานที่สี่อรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่ถ้ารู้ที่บริสุทธิ์นั้นพระอนุรนุทธะมองไม่เห็นพูดได้อย่างเดียวว่าพระองค์นิพพานแล้วนี่พระองค์แสดงวาระเข้าสู่หมหาพรทนิพานให้กับพระสาวกเห็น แล้วก็ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นมีอยู่ไหมแต่เวลาพระองค์มาพาดพิงสมมุติมีอยู่เพราะฉะนั้นเราคิดและเป็นคติเตือนใจว่าเรานับถือพระุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังธรรมังสังฆังสนาจามิตเรามาให้ทาเรามารักษาศีลมันกึกก้องกระเทือนถึงพระองค์ทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะั้พระองค์จึงบอกจึงทรงตรัสผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้น ด, ด้เห็นเราใครอยากเห็นเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นด้เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นด้เห็นธรรม สิ่งเหล่านี้ไม่หมดไปไหนขึ้นชื่อว่าธาตุมันมีประจําอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นอยากที่เราเกิดมาที่เราเอาของเก่าที่มีในโลกมาเกิดทั้งรูปธรรมดินน้ำลมไฟมีอยู่ในโลกทั้งอารมณ์ธรรม ท, ที่เป็นที่เป็นจิตมันก็เป็นธาตุรู้ที่มีอยู่ในโลกแต่มันเกิดมาแบบไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์หมดจดมาตั้งแต่ดั้ ง, ดงเดิมมันเป็นธาตุที่เกิดขึ้นมาเราต้องมาใช้สติใช้สมมติยัคโดยเหตุที่เขามีคุณสมบัติอันหนึ่ง สติสัมปชัญญะตราบใดที่จิตเราตื่นรู้อย่านีจิตของเราส่งสติ ส, ส่งสัมปชัญญะเต็มที่สติสัมปชัญญะมันจะมาด้วยกันสติกับสัมปชัญญะมันปลกกุกจิตของเาให้ตื่นรู้รูอยู่ตลอดพยายามปลุกตัวนี้ให้ตื่นขึ้นพุทโธพุทโธแต่ละคำแต่ละคําแต่ละคํามันเป็นการปลกกุกจิตของเราให้ตื่นให้มีสติยยให้มีสัมปชัญญะเพราะมันอยู่แล้วมันก็สงบไม่นึกไม่คิดไม่ปลุกไปอย่างนี้ ม, มันเริ่มมีคุณสมบัติเ อ, อ้ามีอีกไหมถ้มอัอ่หับาหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แต่ถ้าหลับเนี่ยเราจะมองเห็นข้างไหนลึกดีกว่าแต่ถ้าเราไม่หลับสิ่งข้างนอกมันกวนอย่างนั้นก็รูปตาเราไม่หลับมันก็ต้องเห็นเลยเพราะว่ามันจะต้องออกไปรูปไปเห็นบางทีเราไม่มีสติกาหนดจดจออยู่มันก็จะออกออกไปเกี่ยวข้อง เพราะฉนันท่านจึงให้เจริญสติเจริญสติไม่จำเป็นจะต้องหลับตายืนให้รู้เดินให้รู้นั่งใหรร้รู้อยู่กับอิริยาบถรู้อยู่กับอิริยาบถที่กาลังเจริญในขณะปัจจุบันเดินไปเป็นหลักเป็นหลักมหาสติปัฏฐานรู้อ๋อ เพว่าไปถอดจิตไม่เด้ดในตำนานในนิยายเราเห็นกันง่ายๆอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของของผู้ที่มีภูมิภูมิภูมิจิตภูมิจิตคือภูมิความสงบของจิตนั่นเองเช่นอย่างมโนมยิทธิมโนมยิทธิเนี่ย อ, อาศัยว่าโกนัมีพื้นเพลไปจากสมาธิแล้วก็เล่นเล่นเล่น เล่นกระสินเล่นอะไรต่ออะไรแล้วก็เจริญไม่มีหลักมีหลักเจริญอยู่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆรุ่นหลังๆมาก็มีอย่างที่เราเคยศึกษามีแต่อย่างลูกภูมั่าน่ะท่านรู้เห็นประจิตรู้เห็นจิตของคนอื่นอันนี้เป็นนิสัยทั้งเดิมของท่านได้ยินว่าท่านเคยท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันลูกภูมั่านลองภูเสาวลูกภูสาวปรารถนาเป็นพระปัจเจก พ ร, ระเจ้ก็เป็นพุธทธามกันแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นศาสนาแต่ว่าเวลามาตั้งใจปฏิบัติพอไปถึงตรงนั้นท่านก็นไปติดถึงตรงนั้นทก็ ต, ติดลบุ ม, มัน่นท่านรู้ก่อนท่านละได้ก่อนคือขอเลิกขอเลิกที่จะถืออย่างนั้นขอให้พ้นเพราะว่าเห็นว่าความยาวนานในวัดจต้องสาเนี่มันโอ้เกิดแก่เหยีบตายเกิดแก่เหยบตายไม่จบไม่สิน้นต้องสร้างบารมีกี่กับกี่กับกี่ชาติกี่กับกี่การทำไม่รู้ก็เลยโอ้ขอให้จบจบขอให้ผ่นผ่าน พรหลังจากอธิษฐานลาท่านไปทะลุเสร็จแล้วท่านไปถามหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาติดเหมือนกันหลวงปู่มันน่นทักกันแเลยตามที่เราได้ยินได้ฟังมานะได้ยินไม่ฟังใหม่งั้ยเพราะฉะนั้นท่านเห็นท่านเห็นเมื่อกเราเห็นก็เห็นนี้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเช่นอ่าหลวงตาท่านเขียนประวัติท่านพูดถึงถ้ำสาริกานะหลวงปู่มั่นท่านอยู่ข้างบนไหมมีหลงตาองค์หนึ่งอยู่ที่จีนเขานะ่ะท่านนางภาวนาะดึงดึ ก, ดกท่านก็ส่งกระแสขีดมาดู ลุงตาองนี้ทั้งกันนอนทั้นท่างกระปรุงในเรื่องกามรเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องอะไรแต่ไรไม่ได้ภาวนาจิตมันไม่สงบปรุงในเรื่องกามวงจรของของจิตปรุงใ่เรื่องกามตลอดนอนไม่หลับพอตอนเช้ามาท่านลงมาบินตะบะทัานมาทักเป็นไงเมื่อคืนนอนอ่ะคิดว้าวุ่นอยู่แต่กับเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องครอบเรื่องครัวอ่าแล้วเป็นไงแต่งงานกับแม่หนูคนเก่าเป็นไง ผูมว่าท่านถามเกิดความละอายจนเกือบช็อกตายอย่างนั้นถเถอะอ่าท่านดูดูเห็นง่ายๆหลังจากนั้นมาท่านไม่แสดงเลยท่านดูเพื่อให้เกิดประโยชน์ว่าใครจะวกเวกลดเลดลอดไปอะไรยังไงท่านท่านคอยดูก็ดีถ้าให้เกิดประโยชน์อา่าผู้ที่ท่มีคุณสมบัติถึงขนาดนี้ท่านไม่เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ แต่ถ้าพวกเราพวกพวกแบบแบบโอ้โหเอาเป็นจนไฟน้ำไหลไฟดับน้ำไหลไฟดับน้ำไหลไหลน้ำไหลไฟดับดองการการที่จะทำให้สติมีความแนบแน่นเนี่ยครับต้องต้องทำแบบไหนจิตแนมแน่นคือจิตสงบนั่นแหละ สมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นถ้าขาดสติเสอย่างสมาธิก็ไม่เกิดขาดสติเสอย่างปัญญาก็ไม่เกิดสติคือคุณสมบัติสติสัมปชัญญะคือคุณสมบัติที่มาประคับประคองจิตวเราให้พยาใ ห, ใ ห, าหา้ให้ก้าวหน้าให้ก้าวหน้าในในการศึกษาและการประพฤตปฏิบตัติเพื่อเข้าไปรู้เห็นหลักของสัจธรรมหลัขอสัจธรรมที่เราควรรู้ควรเห็นก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตา เห็นแล้วเราก็เกิดการเฉดเกินกัดการเกิดการหลับไม่ตายใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่ยึดไม่เกาะแล้วก็ถอนถอนถอนถอนอ น, อ น, อนตัวออกมาจิตมันถอยออกมาเห็นแล้วก็ปล่อยปลอยคือละจากการยึดนะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรามันจะเกิดความรู้สึกว่ามันสักถว่าเป็นเป็นเป็นสภาวะธรรมมีเหตุมีปัจจัยอย่างหนึ่งของมัน เป็นอย่างต้นสอนนะเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟก็แล้วข้งกับข้างในก็มีผู้รู้รู้อันนั้นรู้นั้นรู้นั้ น, ร น, นเราไม่ต้องไปดูดูผู้รู้อย่างเดียวหนึ่งเดียวมันไปเกาะอะไรก็จับไปเกาะอะไรก็จับสติตามต้นเกาะจับอยู่นั่นแหล ะ, ะถ้าเรามีแนบแน่นมันคงมันก็พิจารณาได้สะดวก สติมันก็เกิดกับจิตก็เห็นจิตไปดูวาว่างในรัศสารอาการก็จิตจิตจ่อไปที่โพลุกตัวเอง<ม>เกิดความว่างอะไรรู้ว่าวางมันก็จิตน่นแหละรู้ไม่ใช่ไม่ใช่สติจะเป็นสติหรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็คือสติคือปัญญาก็คือผลที่เกิดขึ้นในตัวของมันนั่นแหละอื ม, ม, มบางทีเราดูไปแล้วจ่อไปเมือกมันวาน่างมันดับไป บางทีเราก็ชลาใจแล้วก็ไม่มีทางไปไม่มีทางมาเราม่จับจับผู้ไอ้ผู้ที่รู้รู้เลยมันมันอยู่ไอ้ผู้รู้ไอ้ผู้ที่รู้รู้มยังอยู่จับไอ้ผู้รู้นั่นแหละอะไรว่างจิตมันมันว่างมันว่างจากอะไรมันว่างจากอารมณ์ว่างจากอารมณ์มันสงบมันสงบมก็รู้อืมก็มังจอดจอยอยู่อย่างงี้แหละอ่า อะไรนะวิเวกคือความสงบนี่แหละสงบก็คือสงบจากกระแสของกิเลสตัณหานี่แหละจะเอาอะไรความสงบของจิตวิเวกคืออะไรสงบไม่มีอะไรมาเกลีมากลียตาเกลีหูเกลียดจมูกเกลียนิ้วเกลีกายเกลีใจเกิดความสงบสงบอยู่ในป่าภายในคือมันสงบสนับจากกิริยาอาการของตา มีคำถามันจะคุณแสดงออกมาถ้าเราเห็นแบบนี้มันเกิดประโยชน์ถ้าเราไปหมายไปคาดไปหมายไปเดาอย่างนี้ไม่เห็นกิริยาเหล่านี้มันเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ในมือมอย่างนั้นเถอะมันไม่มีไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปรุงการคาดการเดาการอะไรมันก็คือการเราการที่เราใช้สัญญาอา่านดอกข้อหนานี้เอง ไม่แต่สัญญาทั้งใครรู้ให้รู้ว่าสัญญาก็คือสัญญาสัญญามก็เป็นสัญญาให้รู้ว่าสัญญาโดยหลักธรรมชาติกับสัญญาไปฆ่าเป็นดาไปหมายไปอะไรมันหากจะรู้จะเข้าใจของของเราไปไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของปัญญาครับพ่อแม่อาจารย์ที่ทำสำเร็จเนี่ยด้วยกรณีเก่าที่สะสมมาหรือว่าถ้าเราสามารถเข้าใจนะ จะผลได้หปายถึงว่าพแม่มฮ์อาจารย์ที่สําเร็จนะครับด้ยมนจะมีจากข่าต่อหรืออะไรอย่างนก็หนุนกันมานั่นแหละหนุนกันมาเรื่อยๆเหมือนอย่างพระไพริยะนั่นแหละอ่าก็เหมือนอย่างพระัญญากชัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามาอัชชิท่านก็ได้องค์เดียวมันก็ได้องคเดียวนอกนั้นก็ต้องตล่มไปก่อนถ้าว่าท่านเป็นอุคติจันอยู่เนี่ยพอได้ยินพอได้แสงพระอาทิพระมันก็ บ, บานทันที ดูอุกติจักรบัวสีเหล่านี่ยมันจะไม่เหมือนกันอันนึงอยู่เสมอน้ําอันนึงอยู่กลางน้ำอันอันนึงไม่รู้จะเป็นรูกผีลูกคน อ, ะอ่ะเป็นอาหารต้วอาหารปลาหละขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยเหมือนอย่างพระปัญจวัคคีย์ปัญ จ, จวัคคีย์ที่ฟังแล้วได้มรรลุโดนตาเห็นธรรมแค่หนึ่งองค์เหตุปัจจัยไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยอยู่ที่เราผู้ฟังนี คือมันไม่ถึงมันไม่ถึงแสงอาทิตย์แผดเผาเต็มที่แต่ว่าดอกบัวมันปริมอยู่มันจะบานได้ยังไงมันปริมอยู่ในน้ำํำมันมันยังไม่ได้โผล่ขึ้นมานี่เป็นข้อประมาทเป็นข้อเปรียบเทียบปฏิปัญญาความรู้ของเราเช่นเดียวกันมีอยู่ทางปฏิบัติรู้อยู่เข้าใจายอยู่แต่เราทํายังไม่ถึงเราทํายังไม่ถึงผลมันไม่ปรากฏท่านจึงว่าธรรมานุธรรมะปฏิปฏิปฏอ่า การปฏิบัติน AH ั้นผลปรากฏของการปฏิบัติจะเกิดบังเกิดขึ้นพอเหมาะพอดีกับเหตุที่เราทําเหตุแค่ไหนก็ได้เหตุนั้นเหตุแค่ไหนก็ได้เหตุนั้นไม่เกินเหตุไปได้แต่เหตุเหล่านั้นเหตุง่ายเหตุยากเพราะฉะนั้นท่านเรีว่าทุกขะปฏิบทาทันทามญญาทุกขะปฏิบทาคิดป่าพิญญาสุขะปฏิบทาทันทามิญาสุขะปฏิบทาคิดป่าพิญญาปฏิบัติปฏิบัติยาก รู้ได่ง่ายปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยากปฏิปทาของพระ่าหันเจลาโอลเจลโ อ, ลโอไม่เหมือนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับเพกับปัจจัยทั้งนั้นแต่ว่าเวลาสลัสละล ะ, ละได้ทั้งหมดแล้วจะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหมดมีความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่ว่าผู้ที่จะาาพระอัครสาวกพระอัครสาวก แต่คุณพิเศษจะไม่เหมือนกันด้วยเหตุที่สังสมบา ร, รมีมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอคคะสาวกทั้งกสร้างมามากบาปภาษาอุธรรมดาธรรมดาพุทธเจ้าประเภทปัญญาเหมือนอย่พุทธเจ้าของเราเนี่ก็สี่อสุขขัยแสนหมากับประเภทศรัทธาทีกับแปดอสุขขัยแสนหมากับประเภทวิริยาที่กะความใช่ยิ่งด้วยความเพียรโมชิภพอสุขขัยแสนหมากับ ก็ยังสามารถยึดไม่ปล่อยยังไงก็ไม่ปล่อยในสุดเต็มตื้นขึ้นมาได้โปร่งขึ้นมาได้สิ่งเหลนี้มีอยู่ในโลกหากันว่าพวกเราได้ยินได้ฟังเป็นร่องรอยที่เราควรยึดควรถือควรประพฤติคว ร, ป, ร, ควควรปฏิบัติมีความสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งแต่ทั้งปัจจุบันทั้งสัมปลายะภพผัยภาค น, น้าคอยเราตั้งของตั้งใจ เพราะฉะนั้นน่าจะสมควรแกเวลาอนุโมทนากับพวกเรา<ม>ทุกทา่านทุกคนการทำกิจการหลวงปู่เอรถ้าตอนปฏิบัติเนี่ยโยมเขาสึกว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวว่าที่มีอยู่ในตัวรู้ใช่ไหมคะมแต่อีกขณะหนึ่งจิตก็รับรู้เหตุการณ์ข้างนอกได้อย่างนี้แล้วก็กลับมารู้ภายในได้ อย่างนี้ม า, ายามว่าเรายังมีปฏิกิริยรู้ว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นครับอ๋อก็มีข้างในเขารู้ได้ข้างนอกก็รู้ได้แต่มันรู้ชัดเจนแค่ครั้งละหนึ่งอารมณ์อย่างที่เราดูโทรทัศน์เนี่ยเราเห็นรูปด้วยเราได้ยินเสียงด้วยเพราะเรามันชินเรามันชินแต่ถ้าสเกตุใ้จดจอจริงๆไปแล้วเนี่ยมันอะไรก็ไม่ชัดสักอย่างแต่เราอาศัยว่าเราชิน อารมณ์ที่จะพึ่งชันหัวใจของเรามันจะรับได้ชัดเจนเพียงพระครั้งละหนึ่งอารมณ์จหรือว่าอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมันกระทบอารมณ์เก่าอารมณ์เก่าก็ดับไปแล้วอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอารมณ์เก่ากระดับไปแล้วมันทับทับทใหม่ทับเก่าใหม่ทับเก่าใหม่ทับเก่าเพราะฉะนั้นของดีของดีกับของไม่ดีมันถึงมันถึงถูกทับทับทบทับางทีขณะนี้ดี ขณะหน้าไม่ดีมันโกลธมาแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในท่าทีปฏิบัติหรือขณะนี้ดีเพิ่มขึ้นไปอีกขณะหน้าดีเราอยู่ในท่าทีปฏิบัติเช่นอย่างรู้รู้บางทีรู้เพล่อมันแทรกเข้ามาอวิชชาแทรกเข้ามาโมหะครอบเข้ามามืดตึ๊บอยูแล้วพาไปไหนก็ไม่รู้แหละสโนนหนึ่งสติ่งของดวงจิตจรู้โร่ขึ้นใหม่เราพยายามเจอและวสะเก็ดสะกาแล้วเราเราเราไม่สงสัยแล้ว เราพยายามเกล้าและสกเกตสังกาเพราะเรามีคุณสมบัติของสติของ ส, สัมมิจัญ ญ, ญาความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรความอดความสวนเหมือนกันขอให้เราตั้งอกตั้งใจไม่สําคัญว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหม่ผู้เกา่าผู้ผู้ใหญ่ผู้น้อยสมัยพุทธกาลท่ากก็ถือว่าตั้งแต่เจ็ดขวบเป็นต้นไปได้รู้เป็นพระอรหรันต์เอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาเป็นว่าผู้รู้มีความสามารถเหมือนกัน ไม่ไม่เลือกผู้ชายไม่เลือกผู้หญิงของต่างกันว่าแล้วจิตไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงหากแต่ว่าเราเกิดเราเกิดมาเป็นผู้ชายเราก็ยื้ยื้ยื้อะเราชายเป็นผู้หญิงยื้ยเราเป็นผู้หญิงผู้รู้ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงเราหลวงวิสาขะเสียฐีอ่ะฮะอยู่ครองเดือตะแทบไปฟังเทศกับพระเจ้าได้เป็นอาณาคามีมาเล่าให้เมียฟังนางอะไรธรรมทินนา เราเคยเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้เราไม่ยุ่งกันนะมีอะไรเธออยากได้แล้วไปเลยเมียทาบาทสามีพ้นธรรมะเกินขั้นกามข้ามกามทลายท้งพวงไปได้แล้วขอบวชเสียถีก็เลยให้ธรรมทินนาไปบวชบวชไม่นานได้เป็นพระอาหารก่อนวิสาขะเสียถีนี่ uh. ไม่สำคัญของผู้หญิงผู้ชาย <What? S 1> เขาสามารถละเอียด จิตคือรู้ละเอียดได้เหมือนกันหมุนเราดูถูกกันไม่ได้อย่าดูถูกคนทําใหม่คนทําเก่าอเมื่อแต่ในาี่เรือนขุดถังอยู่ในตํานานนะท่านเห็นเขาฟังเทพพุทธเจ้าคิดว่าเขามีขนมมีอะไรแบ่งแจกกันกินหิวไปเพื่อจะไปขอกินนะ่ะไปโอ้พุทธเจ้าแสดงทำอยู่ตั้งอบตั้งใจกำหนดฟังจิตเข้าถึงกระแสร็จทำ เขาถึงกระแสธรรมก็คือไปเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตต า, าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานี่คือกระแสของอนิจจังทุกขังอนัตตาการอยากผลทยายัก็ไปเห็นแค่นี้แหละที่ท่านเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดจากสุขเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างที่ท่านพูดไว้ในธรรมจักรอโดยเหตุที่เรารู้เราเห็นอย่างนี้เราจึงปฏิญาณว่าเราได้บรรลุแล้วที่ไปบอกปัญญวิีีน ไปบอกเขาก็ไม่เชื่อโอ้ยกลับมาบริโภคจนอ้วนทีขนาดนี้จะรู้เห็นได้อย่างไงพวกนั้นเขาท้าอัตกิลมัน ท, ทานโยกเด็ดทรมานจนตายสากใจเขาเลยแต่อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่คําว่าอารหารนั้นเขารู้มาทั้งนานแล้ว mm hmm. เหมือนกับรูรรร้ว่ารัชสภะเขาสําคัญว่าเขาเป็นพระอารหารนั่นแหละพุทธเจ้าก็เลยใส่ตอนหลังสุดท้ายเห็นใจเขายอมรับเต็มที่เธอเข้าใจแต่ว่าตัวเองเป็นพระอรหาร แท่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารเธอเขายัางไม่รู้จักคําว่าพระอาหารไม่ใช่มีเฉพาะสมยัยสมัยพุทธเจา้านะสมัยก่อนๆเขาก็มีเพราะชมพูทวีปที่อินเดียเนี่ยเขามีฝักไฟเกี่ยวกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องความเป็นอยู่ของคนพุทธเจ้าจึงไปอุบัติในชมพูทวีปทําไมพุทธเจ้าจึงไปบัติในชมพูทวีปเพราะประชาชนเหล่านี้เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วสนใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่อง บุญเรื่องบากเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคนนอกนั้นไม่รู้อทวีปอื่นไม่มีไม่รู้เพพวกพูดเออจรไปอุบัติที่จมพูทวีปแค่ครับว่าพวกนี้เขาเตรียมพร้อมไปแล้วเตรียมพร้อมไปแล้วไอ้พวกนั้นยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยยังเป็นมิดชามืดตึ๊บหมดทั้งดวงไม่รึไปบอกอะไรไมันได้ล่ะไอ้พวกนี้ครับเขาสว่างมาแล้วเขาเตรียมพร้อมมาแล้วจึงไปอุบัติที่นน่นโอ้ยาวอะไรเอ๊ะนีก การแก้การยึดมั่นหรือมั่นในตัวเองแก้ได้ยังไงบ้างก็จ่อเข้าไปดิสติสัพพัญญาฝึกหัดเข้าไปเวลามันเกิดขึ้นเต็มที่เราก็รู้ลองจ่อเวลวมันหายหายก็รู้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาจิตจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคามีราคาแล้วมันยึดไหมถ้ามันยึดก็คือราคเพิ่มราคเพิ่มราคาเพิ่มราคา ให้รู้ว่าจิตมีราคะเพราะเราจอใส่ภาพมันดับเพราะมันดับภาพให้รู้ว่าดับราคาดับโทสะเกิดถ้าจอาโอ้โทสะเกิดเพราะโทสะดับถ้าให้รู้ว่าโทสะดับอันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อฝึกซ้อมที่เราจะต้องทำไม่ใช่เรารู้ประโยคเดียวเสร็จแล้วมันจะดับหายไปหมดเราจะต้องมาทําเราจะต้องนําสู่การปฏิบัติครับ เที่ยวเป็นตะปะทำแผล์เผาอยู่นั่นแหละเราเข้าไปรู้เราเข้าไปเห็นมันปล่อยเองจิเลตัาหาสมะเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเราปล่อยเองแต่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คําว่าฆ่าก็ได้ละก็ได้ปล่อยก็ได้วางก็ได้แต่ถ้าหากยังไม่เข้าไปรู้ไปเห็นจริงเรืนี้เกิดไม่ได้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วหมดสงสยัยเป็นทุกข์เป็นโทษ ใครจะไปแช่อยู่ทำไมกับไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยิ้มกับถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยเหลือแต่จิตหนึ่งเดียวปล่อยได้หมดลากได้หมดวางได้หมดบากกรรริยสังนท่านก็ดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการท่านหมดพภพหมดชาติไม่ต้องไปเกิดผู้รู้ของท่านยังมีอยู่ รู้ที่บริสุทธิ์ของท่านยังมีอยู่ร่า ง, งกายไม่เน่าไม่เปือ่อยเราก็ได้ยินได้ฟักบางทีทา่านอธิษฐานไม่ให้เน่าไม่ให้เปือ่อยบางทีก็ได้ยินว่าท่านอธิษฐานไ ม, ไม่ให้เป็นประทาตเงนี้เช่นอย่างพระอานนท์ท่านอธิษฐานให้ข้ทาท่านแยกออกให้กับญาติสองข้างเพราะวิาจิตของท่านเหลื อ, เ ห, อ, เ, หอเหลือเหลือกิเลบตัณหาสว่าไม่เหมือนจิตพวกเราจริตของท่านมีพลัง ผู้รู้ยังอยู่แต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการไม่มีพบเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีการเวลาเข้าไปจำกัดดำรงตนอยูอย่างนั้นตลอดอนันตการไม่เหมือนพวกพวกพรามพรามตายไปแล้วเพราเขาไปเกิดบนโลกพระพรหมบนโลกพระพรหมมันมีพบจำกัด เมื่อมีพบจำกัดมันก็มีเวลาจำกัดมันก็หมดไปได้ในที่สุดพอหมดมันตกตกกระปอง ม, มาแล้วพอแนะนานัา่งภาวนาเลาเราปฏิบัตินงรกัภาวนาไงอ่ขวาซ้ายขวาซ้ายพุทโอพุทธโธพุทโพุทธโุโ อ, อ, อให้อยู่กระตัวแต่การเดินนั้นอยู่ในท่าทีที่เราภาวนาำนกำหนดทิศจารณาจะสะดวก เพราะมันอยู่ในท่าทีที่เราตื่นพุโทรรพโธก็ได้มันอยู่ตรงไหนก็ช่างมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือกําหนดความรู้สึกจิตขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายให้มันมีสติทุกทุกขนาดย่างก้าวประคองธรรมะ น, นั้นประคองอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นคิดเจริญสติว่าะ ง, งั้นแต่การเดินคือการสับเปลี่ยนถ้าเรานั่งนี้อยู่ทั้งวันตั้งกายของเราเดี๋ยวเขาวิกลวิกัน เอามาพลิกเอามาพาดกินได้อะไรได้ยังไงครูบาอาจารย์จะมีการหมีพันนวดเลยเพราะท่านมันนั่งกดนั่งทับนั่งปล่อยนั่งทิ้งจนั่งกายท่านพี่กลพิการไปหมดเจ็บเส้นเจ็บเย็นเมือ่อก่อนเราก็ไมเขาย้ายเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์นวดเช้าวนวดเช้า น, นวดนวดโอ้เวลาตั้งนั่ ง, งกะับท่านก็ทิ้งไปเลยร่างกายมันไม่ได้เปลี่ยนยีเรยาบทอย่าลืมว่า อิริยาบถที่เราเปลี่ยนนี้เองมันเป็นเหตุให้เราไม่เห็นทุกข์อิริยบทปิดบังทุกข์แล้มาพิจารณาหนูจริงๆพ ร, ราะเรานั่งนี้เราเปลี่ยนความทุกข์ไม่เกิดขึ้นแค่เจ็บแค่ปวดแต่อย่าลืมว่ า, าความทุกข์เนี่ยความทุกข์ในหลักอริยสัจนั้นแนะ่ะคือความทุกข์ที่เปลี่ยนไปไม่อยู่เท่าเดิมไม่อยู่เหมือนเดิม เปียนก็เริ่มเี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนผลไม้เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นในวัยที่มันเจริญแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงในวัยที่เสื่อมมนุษย์เราก็เช่นเกันเจริญขึ้นอยู่ขึ้นในวัยที่เจริญเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในวัยที่เสื่อมมคือมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราอาจจะรู้เฉพาะทุกเจ็บทุกปวดทุกป่วยทุกไข้แต่ว่าความทุกข์ที่แท้จริงในหลักอริยสัจมันมันเป็นเหตุเกิดป่วยเกิดป่วยเกิดไข้ก็คือมันไม่อยู่เท่าเดิมนั่นเอง แต่อย่าลืมว่าตั้งหันหัวใจของเรามันต้องการให้เรามีแต่ความสุขต้องการให้เราเที่ยงต้องการให้เราสุขแต่เราปรารถนาอะไรเราไม่เคยได้สักอย่างปรารถนาอะไรก็ผิดหวังปรารถนาอะไรก็ผิดหวังไม่เชื่อเราลองไปตั้งประเด็นดูว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากความผิดหวังเวลาเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราดูดิเราผิดหวังไหมโอ๊ยปวดแน่เราไม่หยอกเราไม่ชอบแล้วเราไม่ต้องการแล้วผิดหวังแล้วเราเอาประเด็นนี้มาตั้งแล้วเราจับไป ดัง น, นัท่านจึบอกว่ายำปิดช่างนั่นาปฏิตรามัทุกปราถนาสีใดไม่ได้ย่งใจหวังจึงเป็ น, น, นทุกข์อนัตตาอนัตตาพระญาณสันกิจสงปรารถนาถ้าเราบอกมันได้ถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกมันได้ด้วยเห็นที่เราบอกไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบ ม, มาว่าไฟไฟยงดับไฟยงดับ มันดับไม่ได้มันไม่เห็นมีปัจจัยของมันถ้าเราไปดับสวิตซ์ปั๊บอ่ามันดับน่ะม็เหตุปัจจัยของมันเราเอาความยากของตัณหาในใจของเราเนี่ยไปเกณฑ์โน่ให้เป็นไปตามใจเกณฑ์นี้ให้เป็นไปตามใจโดยเหตุที่พรเรารู้ไม่เท่าทันเรามาเสียเปรียบมันตรงนี้เสียเหลี่ยมมันตรงนี้เราจึงแบกแต่ความทุกข์บางคนทุกข์จนบ้าทุกข์จนโดดดึกตาอะไรต่ออะไรตายซึ่งไม่ใช่เหตุเลยอนะ เพาคิดผิดผิดเข้าใจผิดไปกัดไปเกณฑ์แทนที่จะมาดูต้นตอสมุทัยที่ท่าเรียกว่าแทนที่จะดับแทนที่จะดับสมุไทัยไปดับทุกแทนที่จริงท่านให้กําหนดทุกแล้วก็ดับที่สมุทัยเพราะทุกตัวนี้มันเป็นผล <c oughs> <c oughs> นเหตมเหมก็คือตัวสมุทัยมันเข้ากับที่หลวงตาท่านสอนพิจารณาหลักอายักษ์ท่านสอนให้กําหนดทุกย้อนมาดูสมุทัยที่จิต พิจารณาจิตย้อนไปดูกองทุกพิจารณากองทุกย้อนมาดูสมุทัยที่จิตสมุทัยคือตัณหาเนี่ยแหละพอเราพูดกันไ ป, ไปพูดมามันพันไปหมดตัณหาตัวนี้มันพันไปหมดเราพยาตั้งประเด็นอย่างนี้เราจะไม่หลงไม่หลงแนวทางปฏิบัติอ๋อยังไม่จบดิ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเอาขอเสนออ่าเอาให้พรทีนี้ <c oughs> งวดเข้าวยอืมอืออ like e ืออ nah like ืออืออืออืออ э ืออืออืสอืยอ่วยืออจออืออือนออสออยออืออืออือะไรอืออืไอ่ออมือมาออืออืออออืออือือออออ ไม่มีอะไรดีไม่ไดินมือมามีแต่แนวปฏิบัติข้อปฏิบัติเล่็นไม้น้อ ย, อ ย, อยพวกเราเอาไปถือเอาพึกไปถือปฏิบัติแล้วก็ถือว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ได้ยินได้ฟังไปได้คอข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติเป็นเครื่องระลึกถึงกันและมาระลึกถึงเพศภาวะที่เรามีเราเป็นตอนนี้เพื่อเป็นพระราชนิพนธ์พระบัติรุ่นเด็กพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไปสู่สุคติ อยู่แล้วคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าหากท่านได้เจริญธรรมะถึงขั้นไหนระดับไหนท่านก็ไปตามภาวะของท่านท่านอาจจะเข้าถึงพระโสดาพระสกิตาคาพระอนาคาเหมือนอย่างเหมือนอย่างพระยศทศนาท่านถ้เป็นพข้าราชการนั่นแนหะแต่อันนั้นอยู่อยู่ในอ้อมอ้อมแขนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ในยุคอยู่ในยุคที่ว่าก้าละสมบัตกิกาลสมบัติ จะ อ, อยู่ของเราท่านจเจริญธรรมท่านเป็นธรรมโถไป่รู้สิทศพิราย จ, จะทำทำง่ายที่ไหนทศพิราย จ, จะทำทำได้แค่นั้นก็เยี่ยมทีม่ตกต่ำได้ยังไงพวกเราอุที่ส่วนบุญเหล่านี้หละส่วนหนึ่งเป็นของเราทั้งหมดเราอุทิศทั้งหมดให้ให้ท่านเราได้เพิ่มอีกนะเพราะฉะนั้นเราไม่ลืมอุที่ส่วนบุญทั้งหมดนี้ให้กับบรรพบุรุษของเราบิรามารดาปุญญาตายายสัพพสัตต์ทั้งหลายและพิเศษสรบ พระเจ้าอยู่หัวของเราพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาพุมีพลอนุญาตเดชของเรารวมทั้งพระบรมว ง, งศานุวงศ์ทุกๆพระองค์สมเด็พระจุลินีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอทั้งหลายทั้งปว ง, งบรมวงศานุวงศ์ที่ส่วนส่วนเหล่านี้ให้ถึงท่านถึงความสุขความเจริญทุกทุกพระองค์ให้พรนี้ จิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิตชตุสเพปูเรนตุกสังกปาจันโผนารัศวยะถามนิโชติรัศยะถาสพีติโยวิวัชันตุสพระโรโวิัสตุมาเตพวัตวันตรายโยทุขีตีพันโกภวาอภิวาธนาสีริสริจังวุฒาปัญายโนจัตตาโรธรมมวันติอายุพโนสุขังลัง อ่าเออแล้วก็ลากับน